ได้ยินไหมได้ยินนะครับได้ยินเสียงไหมตอนนี้ฝนตกที่นี่ฝนตกดังไหมหน่อยครับที่นี่ก็ตกครับตอนนี้มากมากเลยไม่อยได้ยนลไม่ได้นเสียงครับอาจารย์ได้ยินโอเคเต็มที่แล้วครับพอได้ไหมพอได้ครับรรชกิอาจารย์เค่ะสวัสดีจ้าสบายดีเหรอสบายดีเจ้าค่ะภโโอเคนะครับโอเคครับ เข้ามาแล้วเน่ยคุณน้อนเมียวม่เมียวเข้ามาแล้วหนึ่งลายตเข้ามแล้วตอนนี้เพ้นทุกมีเท่าไหร่นะคุณบอยเพ้นทุกเข้ามาเท่าไหร่คุณบอยไม่ได้ยินเสียงเลยตอนนี้สองร้อยหนึ่งคนครับ เมื่อกี้ผมปิดไมค์ครับครับ ค, ครับ211ร้อยสบหนึแล้วครับตอนนี้แต่ถามเข้ามาแล้วคุณเจน ค, คุณผู้ไม่แต่ทีมงานทั้งนั้นสบายดีเลยคุณเจนเปิดไมค์หน่อยเด็กๆพูดกันกราบัสการพระอาจารย์ค่ะสบายดีคนระับ สบายดีค่ะพระอาจารย์มีอะไรจะถามไหมเอ่อก็อืมกาบขออกาสนะคะเออเวลาที่ปฏิบัตินะคะเออถ้าเราอยู่ด้วยตัวเราเองนะเราทำงานไปนะคะพูดโทรไปทั้งวันอย่าเงี้ยนะคะมันก็สงบนะคะแต่ ดนมักจะมีปัญหาตอนที่ต้องพูดคุยอะค่ะก็จะขอคำแนะนำว่าทำยังไงไม่ให้จิตสง่งออกนอกอะค่ะออก็อยู่ที่การพูดอยู่ที่การฟังีจะอยู่ที่การพูดการฟังเราพูดอะไรเราก็ตั้งใจฟังพอเราถึงว่ า, าพูดเราก็ตั้งใจพูดมีเชิงตรีด ว, ว่ารับหรือพูดไหม รู้ท่าที่จะเป็นนกพูดราคา5ไม่ได้ต้องใช้ถ้าทํางานไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคนมันก็ต้องใช้ความคิดมันต้องพูดต้องทำก็ต้องใช้จิตคควบคุมไม่ให้มันไปในทางความโลกความโกรธความหลงถ้าไม่ต้องถ้าไม่ต้องพูดกับถนาฟังก็ต้อใจฟังฟัาเสียงมันฟังพูดโทรไป เราพูดอะไรก็ฟังไตอนนี้เราพูดอะไรก็ตา้งใฟังไปเจ็บเคิดดเวลาพูดก็ตั้งใจสัสิที่พูดแต่วลาจะพูดก็คิดดูแล้ก็ไมพูดอะไรพูดดีไม่ดีจะพูดไม่พูดอะไรง่วงไได้ยินหมค่ะได้ยินค่ะ เสงเสงพระอาจารย์ไม่ค่อยชัดครับมันตัดาใช่ไหมด้วยว่าชัดขไม่ไมไม่ไกลาปากนะฮะครับต้องใกล้ปากอย่างนี้เลยครับใกล้ปากอย่างนี้โอเคครับโอเคเอ่าคุณออสการ์พูเกตอ่าคุณออสกร์อยู่ที่กเก่เมีแต่ภาพไม่มีเสียงคุณยังไม่อยากจะพูดนั คุณดาคุณดาได้หมอยู่ที่ไหนคุณดาคุณดายัางยังยังเปิดยังเปิดยังเปิ ด, ปดไม่ได้เลยครปุมซ้ายล่างครับคุณพี่ตากับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์จากเวตรจินเอเหรอจากเวอร์จิเนียค่ะอ่อสบายดีเหรอ สบายดีค่ะพระอาจารย์ก็พยายามปฏิบัติอยู่เส ม, มอค่ะเอ่อตอนนี้อากาศยังไงบ้างที่นั่นตอนนี้อากาศค่อนข้างดีค่ะก็อ่ำร้อนนิดหน่อยค่ะแต่ว่าโอเคค่ะร้อนมีลูกเหรอค่ะกชาค่ะชื่อน้องบุญ<อ>ะคะ่ะน้องบุญโอ้พระอาาราทูจ้าลาทาทู เมีลูกคนเดียวเลยนมีลูกคนเดียวค่ะฟังพัะลูกก็สังพาาักนานตั้งแต่อยู่ในทองแลค่ะออดีอ๋อดีสบายเลยอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมค่ะ<า>ไม่ค่ะไม่ใช่ค่ะค่ะ ม, <า>มีอะไระถามไหมวันนี้มีอะไรจะถา วันนี้ยังไม่มีอะไรค่ะขอมาเข้ารับฟังค่ะมากราบพระอาจารย์ค่ะก็หนูก็ยังพยายามปฏิบัติเรื่อยๆค่ะทุกวันค่ะอ่าอ่พยายามทำไปเทาที่จะทำได้นะค่ะไม่ปใกล้ๆไปชัตช้าอยู่เรื่อยๆอ่ารับประเทศถึงใจรักอยู่บ่อยๆนะค่ะอางทุกทางอนุญาตค่ะค่ะ แต่แล้วไม่ทุกนะไนนั้นทีจังทุกครั้งนั้ตายแล้วไม่ทุกโอเคเงินไปท่านต่อไปค <Huh. S 1> ่ะอคุณดาพร้อมหรืยังคุณดาเปิดไมโครโฟนหน่อยจ้ะเอ่อ uh, ไม่มี uh, คำถามค่ะกลับท่านเฉยค่ะฟังเฉยค่ะที่ทอออยู่กรุงเทพค่ะอยู okay, <you> ่กรุงเทพค่ะโอเค่ เห็นไปที่เอ่อตาเห็นก็ไปเชื่อมต่อไปนะคุณสอนทองเออท่านอาจารย์คะคือคือหลับตาแล้วเห็นจุดจุดที<ๆ>่ภาวนาไงคะไปไนะเออหลับตาแล้วเห็นจุดจุดคะ่ะเวลาภาวนานี้ภาวนาไงคะมันเหมือนมั น, มนตาแววอะคะ่ะคือว่าคำถามไม่ชัดเจนน้องกัได้เออเวลาหลับตาแล้วมันเห็นจุดจุดเวลาภาวนาคะ่ะต้องทําไงคะ อ๋อไม่ต้องไปสนใจให้ดูลมไปผู้โชว์ไปไม่ต้องไปสนใจกับอะไรทั้งสิ้นนะจุดั้นดูลมได้ก็ดูลมดูลไม่ได้ก็ท่องผุ้โชวุผโชค่ะค่ะค่ะค่ะอาจารย์มาปอกก็ไม่ต้องไปสนใจนะค่ะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณจวนทองเราจะทำผู้ได้เลยคุณจวนทอง ได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินเสียงคาถามไม่ไม่มีไปเห็นมีเครหมายใหม่ ม, ม, มีมีครับเขาเขาเปิดใหม่แล้วครับไม่พูดไม่ได้ยินอะไรยิยมคุณสปันทองอ่าโอเคพูดได้เลยครับผม <laughs> เข้ามาการาบในวส ก, การพระอาจารย์ครับไม่มีคําถามครับได้ได้เห็น เป็นพระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็พอใจแล้วครับไม่มีคําถามครับโอเคเรียนเชิญท่านอื่นครับอยู่าจากที่ไหนสอนต้อมไม่ได้เสียงเราสอนต้อมมาจากที่ได้เสียงเราไม่ได้ยินนะครับพระอาจารย์เสียงเสียงเสียงไม้ของพระอาจารย์น่าจะมีปัญหานะครตัวตัวเนี้ยเอครับ เด้ยินไหมก็ไม่ค่อคุยกับคนได้ยินครับแต่ได้ยินครับแต่เสียงจะแบบขัดขาดนะฮะเสียงจะเสียงจะแบบไม่ไม่ต่อเนื่องนะฮะครับจะรับไปค น, น้ักกาพูเอเป็นอาษาเองไม่มีการเาคลื่อนลอไม่พูดนะดไปอ า, านารต่อไปคุณสุนิสาคุนิสา ได้ได้ยินเจ้าค่ะค่ะหลวงพ่ออ่อยู่มบุรภาค่ะบางแสนค่ะค่ะเป็นอาจารย์ค่ะเมื่อตอนเย็นตกค่ะอ่นี้อยู่แล้วเหรอีกค่ะหยุดแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะมีมีมีคำถามในการปฏิบัติแล้วค่ะคือพยายามวหลวงพ่อได้ยินนะเจ้าค่ะ ค่ะตอนตอนที่ภาวนาพุทโธพุทโธในใจอ่ะเจ้าค่ะคือพยายามพุทโธพุทโธถีถีพยายามที่จะถี่ที่สุดแล้วเจ้าค่ะแต่ว่ามันมีความคิดมาแทรกระหว่างคําว่าพุทโธที่มันที่มันไวมากมากเจ้าค่ะคือคือพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพยายามพยายามแบบถี่มากๆแต่ว่าความคิดมัน มันแทรกเข้ามาระหว่างคาว่าพุดโธแล้วแล้วความคิดนั้นมันมันไวมากจนจน <c oughs> ถ้าเราขัของเราไปไม่ไม่ต้องพยายามดีได้กไ ม, ไม่ต้องถีดขึ้นใช่ไ้ยครับแล้วแต่แล้วถ้าเราที่ว่าถีได้ก็ถีไปนะคือให้เราสนใจอยู่กับพุทโธแย่าไปสนใจอยู่กับปัจจัยอื่นแล้วก็อย่าไปพยายามกำจัดมันเากจัดมันไม่ได้ให้อยู่ให่มีความสนใจอยู่กับพุทโธพุทโธของเราไปไขับรถเด็กแล้วขับเราไปเช้ ถ้าเร็วก <is> <Euch. S 3> ็รดของเราแล้วรถงก็จะแทงซ้แทงขวาก็ได้ของเขาเลยไม่ต้องไปสนใจแต่เราดูที่รถของเราเปนีย่างเดียวถ้าเราอยู่พุทโธพุทโธพุโธเร็วก็ได้ช้าก็ได้ถ้าเร็วเร็วเดียวมันจะหมดแดงถ้ามันหมดแรงก็ตับวัช้าก็ได้พุทุทแต่ความคิดใหม่ๆมันจะแข่งกับเราแข่กับพโธเต้ มันแทกมันแทกมันแทกตลอดเลยใช่ไหมคือคือพยายามจะถีบมากเพื่อกาจัดมันแต่มันมั น, ม, นมันก็แทกตลอดใช่ป่ะไม่ได้ไไดไกำจัดมันไม่ได้อย่าไปกาจัดมันนะพ้อจะพ่อจะได้คืออย่าไปสนใจมันนะต้องห่อนะพุ่ตัวพุงตัวไปมันจะคิดอะไรก็ปล่อยมันคิดไปอย่าไปคิดกึงมันเยอะไปพุ่งตัวเราไป ถ้าเราอูพโธไปเรืเเดี๋ยวฟังเีมันจะค่ยค่อยหายไปค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อต้องต้องใจเย็นๆใจเย็นๆนัสมาธ <iyoruz> <ence> ิใจเย็นๆนพูดโธพุทโธไปใหมอาจะนั่งแล้ไม่จะบอก้ไรก็เป็นไเป็นการต้องจะติกันค่พื่นหลวงพ่อต่อไปคุณเองก เ ด, ก, เดกได้ยนมคุณเด็ได้ยนเสียงเราไหมคุณเด็ยังยังคุณเดกต้องเปิดไมค์ครับกดปุ่มไมค์นะฮะไมโครโฟนดงซ้ายมือซ้ายล่างนะฮะกดปุ่มเปิดไมค์นะฮะอยู่ทางซ้ายล่าง อ๋อตอนตอนคุณเหนเข้ามาคุณเหนือยังไม่ได้อาศัยใ ห, ใหใ้ให้ใช้ให้ใช้ไม้นะฮะต้องต้องออกไปใหม่แล้วกลับเข้ามาใหม่เพื่อจะอาศัยตัวเองให้ใช้ไม้ได้นะฮะ ม, มีค น, นเ่เข้ามาไม่่อยนมเข้ามามาทำอคุนจัดนนะตัม่้ไปันะัากะพรงไปตันะรมาเลย ได้ยินจริงครั บ, ไ, นนรบได้ยินแบบ ไ, ไ, ไม่ไม่ไม่ค่อยชัดเลยนะฮะพอาจารย์คือคือถ้าเป็นเมื่อกี้เนี่ยตอนที่พระอาจารย์เอาไมค์จ่อปากเนี่ยโอเคนะครับอย่างที่ชัดกว่าครับชัดกว่าครับอย่างที่จะชัดกว่าครับอโอเคคุณเดชพูดได้เลยครับครับนวัต ก, การพระอาจารย์ครับผมเชิญมีอะไรบ้างอะไร ครับวันนี้เข้ามารับฟังพาอาจารย์ครับคือรับฟังวันนี้ไม่มีคําถามก็ได้ทําก็ที่ได้ที่ได้คุยไว้ครั้งก่อนก็นํามาปฏิบัติตามที่พ า, าราทิชันบอกครับก็วันนี้เข้าร่วมรับฟังครับผมมาจากที่ไหนบ้านที่ไหนที่ทเชียงเออผมอยู่เชียงรายครับผมเชียงรายนะต้องเจอะไร อำเภอเชียงแสนครับผมอำเภอเชียงแสนโอเคได้ถ้าไม่มีอะไรก็ท่านตอไปนะครับผมกับโอภคผณ้ภาจาร์ครับครับผมกัโอขอบคุณครับผมครับผมครับผมขอบคุณภาจาร์มากครับสาธอ่าคุณบอยท่านตอบไปอ่าคุณคุณออดี้มีอะไรจะพูดไหคคุณออดดี้ นอรดี้เพิ่งเข้ามามีอะไรบเดี๋ยวเปิดเปิดไมค์กันนะโอเคไม่มีค่ะเข้ามากับนมตรตการพระอาจารย์จะค่ะโ okay. อเคคุณนอร์ดี้อยู่ท<น>ี่ประเทศอะใช่ไหมนาเกือค่ะพระอาจารย์จันด้นเดี๋นนะยพวพรุ่งนี้ก็เพรุ่งนี้ไปฟังธรรมพระอาจารย์ค่ะวันฟ้าแตว่วันแม่ด้วยนะใช่ค่ะ โ <Okay, S 1> อเคเดียมาจอกันไปสองโมงจ้าพร้อมดอกบัวเจ้าค่ะได้จ้าแล้เจ้าแล้อเจ้าก็คุณแก้วตายกมือนะคุณแก้วตาเปิดไม่ได้เลยคนระับกลับนาสักาอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงสบายดีเลยไม่ค่อยสบายเจ้าค่ะคือแก้ ว, กวหมูนี้จิตตกบ่อยอะเจ้าค่ะพระอาจารย์ คื อ, อเหมือนกันว่นันก็ตอบบ่อ ย, ยแตอยากเลยอ๋อแคปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าอะไรมันก็ไม่ใช่ของเรามีเพื่อนมีแฟนก็ยึดเหนี่ยวเขาไม่ได้เพราะว่าเขาวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปมันก็เลยจิตตกเหมือนไม่มีที่พึ่งอะเจ้าค่ะเจิตไม่สงบในตัวมาเอาความสงบเป็นที่พึ่งไม่ได้ สดมนต์ไปนั่งสมาธิไปถ้าจิตสงบแล้วมันก็ไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องพึ่งใครอันนี้เจิตแล้ไม่มีที่พึ่งเลยต้องพึ่งคนนั่นคนนี้บาคิดว่าเขาจะจากเราไปเราเพิ่เลยเศรใจไม่สบายใจพยายามสร้างที่พึ่งใหม่คือเอาความสงบเป็นที่ขึ้นแทนเดีย๋ยวจะพุโทโธพุโทโธสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปจิตสงบแล้วก็จะมีความสุข ไม่ต้อพึ่งคนนั้นต่คนี้เจ้าคูะนะเจ้าค่ะเราดูพระนี่ยพระนี่ไม่ได้เพึ่งใคร้าเราพึ่งพระสมองเ่ยนเดียวที่คนเดียวมาตั้งสามสิบกว่าปสสิบกว่าีล้เนี่ยก็อยู่ก่าพระสงนี่เองอยู่กับพืทธโสอยู่กับนะไปยางพึกทาใจให้สงบแล้วเราจะได้มีธี่พึ่งของเรา เจราจะไม่เราจะไม่หว่นไหวใครจะมาใครจะไปก็เรื่องของเขา c o p ได้แต่ความที่หายเข้าไปแล้วถึงเวลาไม่ได้ไปก็ไปเจ้าค่ะความความรู้สึกที่ว่าพอเรามีความกลัวแล้วใจมันจะสั่นนะเจ้าค่ะควรควรจะพักสักแป๊บหนึ่งหรือว่าภาวนาต่อเจ้าค่ะก้าภาวนาได้ก็ภาวนาไปดีกว่าคุทโธพุทโธไปเจค่ะ คนวนไปก็ได้ออถ้าทําไม่ได้ก็นอนต้อพักก็ได้โอ้จะไปคิดทิ้งนะจะไปคิดเรื่องที่ไม่ดีนี่จะทำให้เศร้าเนี่ยอเจ้าค่ะการคิดเนี่ยเป็นตัวการพอเราคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจมันก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเราพูดโท้พูดโท้ไปมันก็จะคิดไม่ได้มันก็จะทำให้เราไม่รู้สึกเหนื่อยร้อนอะไร เจ้าค่าะคุณแม่ไปไปดีนนคุณแม่ฝากกราบเรียนถามพระอาจารย์คุณแม่บอกว่าโดยทางทฤษฎีคุณแม่ก็ทราบว่าร่างกายมันต้องเสื่อมสลายไปกุศลธรรมบทสิบมีอะไรบ้างแล้วก็อริยมรกมีองค์แปดมีอะไรบ้างคุณแม่ก็ทราบหมดแต่คุณแม่ถามว่าอย่างนี้เรียกว่าได้ธรรมะหรือยังเจ้าค่ะ ก็ได้ส่วนหนึ่งแต่มันยังได้ชื่อมันยังไม่ได้เห็นตัวมันคือต้องจับชื่อมันแต่ยังไม่ได้ตัวมันต้องปฏิบัติที่ได้ตัวมันเอได้ตัวมันแล้วใจก็จะมีความมั่นคงไม่วนไหวกับอะไรฉะนั้นต้องพยายามปฏิบัติเนี่ยชสติเนี่ยต้อฝึกสติผู้ชุผตัวอยากให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ แ้ามีสติแล้วเราก็จะทำให้มันคงในใจขึ้นตอนนี้เราม่แต่ชื่อมันไม่มีตัวแต่ก็ต้องรู้จักชื่อมันก่อนว่ามันเป็นอะไรเราจะได้ไปปฏิบททัติให้ถูกต้องได้ต้องปฏิบัติเรียนแล้วต้องปฏิบัติโอเคนะมีอะไรีกมไม่มีแล้วเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ เชิญนัดต่อไปเลยคุณบอยครับอคุณหมอาาพีรพัฒนมีอะไรไหมครับรูปนะฮะเดี๋ยวเเปิดเปิดใหม่ครับหลวงพ่อครับได้ยินไหมครับได้ยินครับห<ๆ>อครับมีคําถามกุณหลวงพ่อครับเ อ, อที่หลวงพ่อที่เขาบอกว่าทุกให้กําหนดรู้นะครับหลวงพ่อทุก อ, อ, อ, อทุกศาสตร์ตัวที่ว่าเนี้ยเป็นมันเป็นผัสสะที่เข้ามากระทบ เพราะว่าเป็นทุกข์ที่เกิดจากสมุทัยครับเออเกิดจากสมุทยัยไงเกิดจากความอยากของเราเห็นอะไรอยากไา้พอใจแล้วก็ทุกข์ละคือทุกข์ทุกข์เพราไม่แน่ใจาว่าจะได้หรือไม่ได้มันก็ทุกข์ละถ้ทาทีที่ได้ความอยากขึ้นมานี่ใจมันก็จะสั่มันก็จะตื่นเต้นละมันจะ นให้ให้ดูที่ใจเวลาใจไม่ปกตินเรียกว่าทุกจะดูจะดูทุกได้ทำดูที่ใจไม่ใช่ไปดูที่ตัวตัวหนังสือทุกก็คือเวลาใจทำไม่เป็นปกติเรียว่าทุกแล้วที่จะรู้ว่าทุกไม่ทุกนีต้องถ้าเราทำให้ใจมันนิ่งก่อนทําใจให้เป็นสมาธิก่อนมันสงบก่อนพอมันสงบนิ่งเป็นปกติแล้วพอมัน ทุกขึ้นมามันจะก็เพิ่มไป ม, ม, นนามาเหมือนน้ำแต่ใจก็งพวกเราทุกที่ไม่ได้ปฏิบัติที่มันก็เพิ่มอยู่ตลอดเวลามันเลยไม่รู้เลยนทุกเกิดขึ้นก็เป็นทุกคุณอยู่กับทุกมาตลอดเวลาอ๋อ oh. แล้วแบบนีทุกเรื่องวิธีทำไปทําตามความอยาอยกต้องอยากได้นูวยกับแหวหามันมาอยากได้นี่กับแหหามันมา ไปนวดเด็กมาดิกับไปทำทำตามความอยากทันทีมันก็เลยไม่ได้เห็นทุกทีเพราะมันอยู่กับทุกตลอดเวลาทุกคนไม่เคยหยุดก็แต่ทุกของคนที่ไม่ได้มีสมาธิมี่ไม่มันไม่เคยหยุดนะหรือม้จะเบาบา้างแต่มันมันไม่ทุกเมื่อก็ทุกเมื่อนี้เวลาเวลามีกระทุกไปอย่างเวลาไม่ดีก็ทุกไปอกอย่าง อยู่ก็เป็นสุขสักอย่างง่ายๆอเนี่ยแสดงว่านใจทุกข์แล้วถ้าใจอยู่เฉยๆไม่ได้แสดงว่าทุกข์แล้วแต่ถ้าไม่ปฏิบัติสมาธิยังไม่เห็นถ้าปฏิบัติสมาธินี่เราจะทําใจให้นิ่งนอนนิ่งแล้วทีนี้เราก็รู้ว่าตอนนี้ใจเราไม่ทุกข์แล้วพราะใจเรามีความสุขเวลาจิตสงบมันก็ได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง แล้วก็ไปรับปัญาสมาธิถึงจะได้ตัวนี้พอได้ตัวนี้เราพออาปับ๊บพอใจ ค, นะคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ก็เพื่มขึ้นมาก็สแสดงว่าทุกขนะ์้วแสดงว่าอยากนะอยากอยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้มันก็กนะทุกข์ครับพราะท่านก็เอาตอนเช้าก็ได้ตอนเช้าตอนเตื่นมาใหม่อ ต, ตอนนั้นจิตยังสงบยอยู่ไม่มีเรื่องเวลาดีใจ จิตมันจสบายในสภาพพอไปคิดถึงเรื่องเม่เรื่องที่เห็นจริงแต่จริงนี่ก็ทำรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมานั่นแหละนะแต่ไ ด, ด้กาหนดดูตัวตัวความไม่สบายใจอยู่ของจริงอยู่ในใจเราไม่ใช่ไปดูตามตำราว่าทุกข์คือการเกิด คือดีใจเสียใจนีก่ก็ทุกดีใจเสียใจก็ทุกแล้วออยากได้อะไรก็ทุกเลยแล้วไม่อยากไม่ได้อะไรก็ทุกเลยมันเร็วมากมั108นมีน ร, ร้อยแปดธนาคารทุกครับเราต้องครับแล้วก็เราต้อไปหาความังบให้เจอก่อนจิตนิ่งแล้วทีนี้เราจะรู้ความแตกต่างระหว่างเวลาจิตมันทุกข์กับไม่ทุกข์ว่าเป็นอย่างไรก็แสดงว่า ความทุกข์นั่นคือความแปรปรวนของจิตใช่ไหมหลวงพ่อจิตมันไม่สบายใจมันจิตไม่สบายไม่ไงไม่สบายใจไม่สบายใจมันมีแต่มันมีแต่คิดเดียวไปถึงลอย ชิ้นกันมาเนี่ยครับครับเนี่เราต้องไปสืบขึ้มาที่ให้ไปดึงเจ็บไปอยู่ที่จุดศูนย์จุดอุเมคาเนี่ยจุดศูนย์คือเราสัจจทุกข์คืออุเมคาแล้วทีนี้พอมันเริมมีทุกข์เข้ามาพอใจมันเริ่มทุกข์กขม็มันจะเห็นเลยออกอันนี้คือทุกข์พอใจแล้วมต่เพิ่มนีละทุกนิดเดียวบางทีใจ แิดอะไรนิดแป๊บเดียวนี่ถึงนาทีอะไรนิดเดียวมันก็ทุกข์ขึ้นมาได้ทีเลยเลยผมอืมเหมือนกับที่พ่าบอกว่าครับหลวงพ่อที่ถึงนี่แป๊บที่ถึงคนนั้นคนนี้แป๊บนีมันทุกขึ้นมาทีเลยที่ถึงแม่แป๊บเดียวมันทุกขึ้นมาเลมเข้าขใจครับก็คือว่าต้องต้องต้องทําเกรให้ได้ศูนย์ก่อน เออใช่เต <unlucky S 2> ียนเตียนจิตตให้ไปอยู่ที่ศูนูนารเวเรื่องหนึ่ง้าเว่าจะชั่งน้ำหนักเราต้องเทอรินัลเครื่ก่อนเครื่องชั่งน้ำหนักแทมันอยู่ที่ศูนถ้ามันไปยู่ที่ศูนย์มันเราไม่ได้น้ำหนักแบบจิถ้าสินกล้กนนี้ครับครับเข้าใจครับะมต้องปฏิบัติสมาีิก่อนเพื่อตับจิตให้กับสู่สภาพนิ่งสงบมีความสุข ทีนี้พอมันเลือดไปสุกปุ๊บก็รู้ทันทีว่าทุกข์แล้วอือครับสาธุก็เพรมันละเห็นมากแม้อาณาธราชนันมันตายก็ไม่เข้าใจก็ไม่ปฏิสิทธิ์ถ้าไม่กำหนดรู้ก็ไปรู้เออได้กระจายทิ้งทาทุกข์ก็จริงแต่มันไกลมันไกลตัวเราเนี้ยนะไอ้ทุกข์ที่อยู่ใกล้ตัวเรามันเกิดขึ้นเราไม่เห็นเราไม่เห็นในตัวตัวที่มันอยู่ไกลเราที่ยังไม่ยังไม่เกิดยังไม่มา แสดงว่าความกระเพื่องของจิตเนี่ยมันต่อเนื่องต่อเนื่องตลอดจนจนเราดูไม่ทันไม่ทันครับพอเริเ่นพอเต็ขึ้นมาแล้มันก็เรั่มปรุงละเริ่ปรงก็เริ่มกระเพื่อมนะครับมันกระเพื่อมพราะร่างกายมันร่างกายเจ็บท้องฉี่มันก็กระเพื่อมขึ้นมาละครับ ปวดหลังลุกขึ้นมาอะไรมันมีอาการแล้วมันก็ต้นให้เกิดทุกข์ได้ะอดเลาเพราะนั้นทุกทุกตัวนี้ก็เป็นทุกคนละตัวกับทุกในอริยสัจกับเอ่อทุกในไตรลักษณ์นะครับหลวง่มก็มันทุกนอกระมันมันมันกะต้นให้เกิดทุกในทุกนอกระมันก็ต้นได้เกิดทุกในร่างกายทูกสิ่เจทั้งนั้นปวดตรงนี้ได้ใจก็ทุกไปกับมัน เพราะไม่อยากให้มันเกิดนั่นเ้นี่คือการปฏิบาติจิที่ตัวที่ใจแล้วจะเห็นครับครับครมันจะถูกได้ลูกเสียงกินร้อนม่ากเป็นตัวคอยกระทุ้นให้เกิดความทุกข์อยู่เรยเห็นลูกกระทุกได้ยินเสียงกระทุกคุณสภาพสัมผัสที่ร่างกายกระทุกร้อนกระทุกหนาวกระทุก พวกงนั้นปวดตรงนี้กระทุกเนี่ยคือทุกทุกอย่างมันกระทบเข้ามาในใจทั้งหมดนั่นคือเป็นทุกในใจเล้วเนอะแล้วใ<แ>จมัมีปฏิกิริยากับมันเนเี้ยเกิดปฏิกิริยาถ้าใจไม่วเลยถามมันต้องไม่ถูกมันก็รับรู้เฉยเฉยแต่แต่ว่ารู้แต่ก็รู้หรือว่าปวดตรงนั้นเมื่อตรงนี้รู้ว่าปวดท้องฉี่้ว่าหิหิ้ามันก็รู้เฉยเฉแต่มันจะไม่ถุกไม่ถูกครับ ไม่ช่ายเมื ah ่อไงมันทุกทุกแต่ข้างนอกทุกที่กายแต่ไม่ทุกที่ใจถ้ไมีลมเดือดาถ้าไม่มีลมเดือดาทุกกายปั๊บมันก็มาต้มให้เกิดทุกใจขึ้นมาต้องความอยากไม่อยากให้เกกายทุกทาให้เกิดทุกใจขึ้นมาด้วยต้องสมาี่ให้มากๆเพงจอเห็นเพืเห็นเห็นชั้เห็นทุกในอาริยสัจชั้นเจ็ด ครับครับการสาธุขนมก็สาธุเน่ยคำถามของนักปฏิบัติเนี่ยต้องเป็นตคงถามกัน น, นี้นักนักจะมีคำถามนี้ก็นเนโอเคนะถ้าจะไปคุณพิชชนครับอ่าคุณคุณสมพงษนะ์ฮะแต่คุณสมพงษ์เปิดต้องเปิดไมค์ก่อนนะฮะกดกดปุ่มเปิดไมค์ก่อนปุ่มข้างล่างทางซ้ายนะถ้าถ้าเปิดไม่ได้คุณสมพงษ์ต้องออกออกออกไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่โดยการ ยอมรับการใช้การใช้ใหม่นะได้ไหมเปิดได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอคนต่อไปก่อนนะฮะใครใครต้องการพูดคุณต่อไปครับคุณสุพัฒนาหรือเปล่าฮะเดี๋ยวผมเปิดไมค์นะัน่นนรมาสการค่ะอ า, าจารย์ค่ะสวัสดีคุณบอยด้วยนะคะนรมาส ก, การค่ะอ า, าจารย์จากบอวินใช่ไหมจากบอวินค่ะอ า, าจารย์ค่ะ พอดีวันนี้นึกดีใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะถามเรื่องที่โยมท่านเมื่อกี้ถามค่ะเพราะว่าวันนี้มีความรู้สึกว่ามันมันใจไม่สบายก็อาจจะอยู่ในระหว่างการทางานนะคะแล้วก็เอ๊ะก็คิดว่าทำทำยังไงจะให้ใจมันมันสงบตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะสวดบทธรรมจักอะค่ะก็นึกชื่อไม่ออกว่าว่าชื่อบทอะไรทีนี้ก็มามาม า, มานึกถึงคา เออข้อข้อที่ว่าอาริยสัจทุกขังนะคะพระอาจารย์ก็วันนี้พระอาจารย์ก็ตอบคาถามตรงนี้แล้วค่ะพราาะอาจารย์คะก็ขอบพระคุณมากามค่ะเกิดเมาทานได้ฟังพอดีเ้าะค่ะค่ะเราไปค้นรู้ว่าเราอยากอะไรเราอยู่กันได้ไหมนะคะค่ะแล้วก็จะถามว่าที่ที่ที่บอกว่าเอารู้ว่าทุกนี้ให้กําหนดกําหนดรู้ กำหนดรู้ก็คือคือให้เข้าใจในในความทุกที่ในทุกที่มันเกิดใช่ไหมคะพระอาจารย์ให้รู้วยเราสบายใจถ้าไม่สบายใจถ้าเราไม่สบายใจก็ถ้าเรารู้ว่าเราไม่สบายใจก็รู้ว่าเราชงแล้วค่ะทีนี้รู้ว่าไม่สบายใจแล้วเราก็ต้องไปค้นหาสาเหตุว่ามันเป็นความอยากในใจเรางเป็นสามตัวเนี่ยไม่อยากในรู้สึกกินแล้วก็อยากมีอยากเป็นไม่อยากไม่มีอยากเป็นโอค่ะ กาไปอยู่ในสามตัวเนี้ยตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในสามสามเหตุนั่นใช่ไหมคะเอ่อเเพราะว่าเงินไม่พอใช่แงว่อยากมีเนค่ะแงินนีมดียังไง้อช้สัญญาามัน่ดีก็ต้องหนอยู่กับมันเลยอ๋อค่ะอาจารย์ค่ะสาธุค่ะอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะปฏิบัติงาเดี้ก็เห็น เ อ, อ, อ ง, งอง่ะตาจสงบทุกไปได้ง่ายาค่ะถ้ออ า, า, า, าทุทกข์ไม่สงบตกอยู่ตลอดเวลาแล้วไ ส, ก, ก, ก, ก, ก, ตสกตัวะไรค่ะนจิตไม่สงบนี่แสดงว่ามันมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาป็นแ่ทุกข์มากทุกข์น้อยนค่ะน้อยไเพราะชินอยนค่ะถ้าเราุกวกวาจะตัวค่ะ ขอบคุณค่ะท่นทีนีุ้เดียวก็ดูทันทีค่ะินินกับแกงเดียวก็รูทันทีาที่สบาครั้งแมจะยดเดียวก็จะดูทันทีค่ะสาธุค่ะครับคุณคุณสมพง์ครับคุณสมพงศ์เปิดไม้ได้เลยครับคุณสมพง์เปิดไม้ได้เลยครับกดกดอันมิ้วฮะอันมิ้ว กดที่หน้าจอครับคำว่า unmute นะฮะ U N M U T E โอเคสวัสดครับสวัสดครับอาจารย์ครับครับผมกราบน้ำพสการครับอาจารย์ครับคือว่าผมภาวนาไปพิจารณากรรมฐานห้าแล้วมันกลายมันว่างครับอาจารย์กลายว่างปึ๊บหายหมดโลกเลยครับอาจารย์สวครับ ไม่ใช่กายว่างหรอกเขาเรกวิต ว, ว่ากายมันไม่กายเนี้ยมันไม่ว่างหรอกกายมันก็กายขอย ง, อ ง, องมันอย่ะพราพิจารณาไปแล้วมันใจมันว่างเขาเรยว่าใจว่างกรใช้ของมัก็ว่างามาใจเลยโอ้ยผมฟังผมจริงแล้วมั้อไม่ดีเละไดยินไหมเสียงนะาก็ น, น่าจะไม่ได้ยินครับตอนนี้อโลครับ ได้ยินแล้วครับอาจารย์อ่าได้ยินนะครับอีกแล้ว อ, อีกหลายอย่างเลยใจสงบใจว่างไม่ไม่ใช่ร่างกายว่างกายร่างกายหายไปจากความรู้สึกของเราแสดงว่าใจสงบใจว่างอืมก็เป็นสมาธิแบบนี้นะครับแล้วมีความสงบในตอที่มันว่างเดี๋ยวถ้า หูฟังผมไม่ได้ยินนะจ่าเนี่ยหูฟังเจ๊งนะจะคุยธรรมะก่อนได้ยินเสียงคุณนะเสียงได้ยินอยู่แตคุณไม่ได้ยินเสียงเราอ่ะโอเค๋ไปใด้เดี๋ยวตัดนเดี๋ยวตัดตัดผมกันครับคุณคุณน็อปโป้ครับคุณน็อปโป้คุณน็อปโป้จะพูดอะไรไหมครับโอเคเอ่อภาพนิ่งนะฮะต่อไปคุณพฤดาครับคุณพฤดามีอะไรพูดไหมครับ เป็นประดากดปุ่มได้เลยฮรับางราชการเจ้าค่ะจะได้ยินเสียเราไหมได้ยินเจ้าค่ะอยากจะได้ยินช่ไหค่ะพระเานีใ่บานีใช่ใช่ค่ะที่มี่ถามอะไรเจ้าค่ะไม่มีคำถามอะไรข้าง่าเะต่อไปคุณคุณพานุครับคุณพานุ พูดได้เลยครับครับขอโอกาสครูบาอาจารย์ครับมาที่ไหนมาอยู่ชาวเชงเซาครับชาเชงเซาครับต้อนเชิญฉันกำถามว่าถามได้เลยคือครั้งที่แล้วผมเคยได้ถามครั้งนึงแล้วเหมือนกันนะครับคือผมพิจารณาที่ผมอกับเรียนครูบาอาจารย์ไปว่าพิจารณาทั้งกายแล้วก็บางทีมันก็ถนัดไปจับที่จิตบางทีก็ไปถนัดจับที่เวทนา ทีนี้ในในความเข้าใจของผ ม, มนะครับคือการพิจารณาในแต่ละขั้นเนี่ยอยากได้ฟังครูบาอาจารย์องค์ปู่มหาบัวด้วยเนี่ยคือความความเข้าใจเนี่ยมันจะละขันไปทีละชั้นคือขันหยาบขันกลางขันละเอียดขันหยาบในความเข้าใจผมเนี่ยก็คือกายหรืออริยตนะสัมผัสเหล่านี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาทางจิตเนี่ยจะจะละทางกายได้ใช่ไหมครับหรือ แ, และวิธีการมันมันเป็นยังไงครับเพราะผม ผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าต้นใหญ่เคยได้กลับเรียนถามครูบาอาจารย์บ้างเนี่ยท่านก็บอกว่าแรกๆเนี่ยขันยาผมก็ต้องเอาให้ได้ก่อนกายเวทนาพวกนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนถนัดพิจารณาอยู่ทางจิตเนี่ยจิตมันละกายได้หรือมันละไปถึงสุดเลยไหมครับหรือว่าในทางกลับกันถ้าพิจารณากายเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไปจนถึงสุดเลยไหมครับมันจนถึงละจน ถ, ถึงขันละเอียดเลยหมครับขอโอกาสครับ เราิจารากรกองวัตาพิจารการเราเป็นไปตามที่ตกล่เราตปนอย่านสอนเป็นสุขภาพสวยงามไม่เกิดความวิตกกัได้รนารเป็นบารมงพรเาน้เป็นตัวนเ้วานเมดันธายสขี้ำไมาร อันนี้้รงใช้อสุขภาพเราต้องการลาต่างกสราต้องการควากลัวกลัวตายคกลัวเจ็บเราต้องพิจารว่ามันไปด้ตัวเราไม่เที่ยมเปนไาเปี่นมาเราไม่ได้เจ็บไปกร่างกายเราไม่ได้ตายกับร่างกายเราต้องใช้ต้องดูที่่งกเรื่องจิตนี่เนเรื่องของอารมณ์มากกว่า อรมณรอารมณ์องอรอารมณ์รมรมโรอารมณ์รอบนงยู่ที่จิเรื่องของตกังเจครับทีนี้ในคำถามที de ่ผมตลอเวลาตงามโนมัอดเวลาเรื sentences. ่องของตามันก็เกิดเรื่องของวามันก็เกิดเรื่องของจิตมันก็เกิดอถ้าเราีล่ย เรายัปลอบบ่อยร่างกายปล่อยวินาไม่ได้ตไปไปไปวจะนาจิตไห้ทันปลอ่อยไปจากร่างกา่มักร้างเสริมสร้างตังญาให้มีกงมากที่มัก็ตอนนี้เราจะดูจิตได้แต่เราดูจิตไม่ได้เหนอมณแต่ก็เอาแม่ปัญห า, นาไปเลยจะได้ก็กลับไป ต้องไปพิจารณาร่างกายก่อนแล้วพิจารณาปล่อยร่างกายเปพิจารณาได้ก่อนงที่นีเยเข้าไปในจิตนะครับครับเข้าใจครับแต่ว่าพิจารณ า, ณาทั้งวิทย์เทศนาและกายเนี่ยสุดท้ายตอนที่จะเข้าใจกันจริงๆมันก็มาลงอยู่ตรงจิตใช่ไหมครับก็ที่อย่างมันเกิดดังนั้นตรงที่นครับ จิตมันทุกขต่ร่างกายทจะนให้มันไม่ทุกข์ต่อรางกายจิตันข่นนาจะนั่นไม่ทุกขับเวทนา้อมันปวดว่างอย่าไปอยาอยาาไปอยากให้ร่างกายไม่แก่อย่าไปอยากให้ร่างกายไม่ตายถ้าึงเวลามันจะตายก็ต้องยอมมันตายจิก็ไม่ทุกข์ถ้าม่รอมตายก็จะทุกข์คนคนนี้ไม่คนตาย ทุกคนมันต้องตายับาพยายามไม่ตายก็ยอมอยอมรับความจริงว่ามันต้องตายถึงเวลามันจะตายก็มันตายเลยจิตจะไม่ถูครับผมอาจารยนะครับขอาการอีกคําถามหนึ่งครับคือว่าในการพิจารณาสุภาอาสุภาะเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องล่อให้จิตเรามี กรรมฐานใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆไอ้ความเป็นสุภาะอสุภาะเนี่ยมันก็คือแค่ความหมายหมายในความหลงไหลในรูปหมายในเป็นสัญญาใช่ไหมครับผูจ้จันท์ตอนที่เราเห็นหน่าการมันสวยงามเราไม่เรเรามไที่สวยงมที่มัไม่สวยงามเรมเห็นร่างกายไม่สวยงามันก็ไม่เกิดกา ร, รามนรานเป็นคนที่กายคนหน้าตา มีแพลเป็นเต็มหน้านี้แล้วมันเกิดอารมณ์ไหมเกิดกรรมอารมณ์ขึ้นมาลหล่าครับแต่ถ้าไปเห็นคนแต่งหน้าแต่งตาทาปาก ท, ท, ทาที่รูทาแป้งอะไรเห็นมันก็เกิดกรรมอารมณ์ขึ้นมายครับถิเาชอบไปมองพวกหน้าสวยๆก็แคนะ้นหน้าไม่สวยไม่อยากมองครับเ็าบอกว่าไปแมองหน้าไปสวยก็ ถ้าเวลาปเป็นหน้า ส, สวยก็ถึงนอต่อบบมันจะสวยอยู่อดตลอดนานพอไ้ ว, วันหนึงนี่ยมันก้องแก่ก็ต้อเบมันก็เจ็มันก็ต้องตายสงตาเป็นธาตุจบไปครับแต่แต่เห็นเห็นตาที่เป็นจบ ม, มันก็ไม่ดีภาไม่ดีอารมณ์คุณ้ถ้าาคุณถ้าเสือพอดีคุณไม่หายใจมานี้คุณยังจะเก็อยไวนะ้ใบ้านก็ได้าครับ คุณจะยกให้กับเราเลยจริงๆแต่ตอนนี้ยังยังไม่ตรงใจอยู่แค่มาแต่งไม่ได้ไปจะเห็นหน้ารักหน้าหองนีนครับในตัวที่เราไปรักไปห่วงเนี่ยมันก็เป็นปัญญาอารมณ์อยู่ใช่ไหมครับก็ไปมองว่ามันเราไปชอบมันชอ บ, บมันสวยถ้ามันไม่สวยถ้ามันไม่ด้านล้วนก็ดีหน้ามีแค่เป็นอะไรเนี้อาจจะ ทิ <as> awan, ้งไปแล้อาจจะมีปัหาเมียนทอยนะที่มัสวยมันก็ได้ด้วยแต่ัไม่สวไม่เอาแล้วใช่ไหมครับที่ร่างกายบางคนอะมันต้องมันไม่ชินอะมันสวยอันนี้ย่พวนี้มันไม่ยากครับขอบคุณคุณจันตัดการมาครับท่านตัดไปเฉย ค, คุณอ้อมครับคุณอ้อมคุ ณ, คณอ้อมเอ่อเปิดเปิดไมค์ได้เลยครับกดกดธันบิออกมาเลยครับการนมัสการพระอ า, า, าจารย์เจ้าค่ะอ่าอยู่ไหนจ๊ะอ่าโยมยูอเมกาค่ะแรี่แลนนะค่ะามมรี่แลนด์ค่ะาาโคตรดีอะไรนะคะเลยก็มามา มามเล ค, ค้ครั้งแรกค่ะโอเคเวลาอยากจะถามแม่คือโยมโยมนั่งสมาธินะคะพระอาจารย์พอโยมนั่งสมาธิตัวโยมก็โยกไปโยกมาทีนี้โยมก็มกเปลี่ยนฐานแสดงว่าไม่มีไม่มีสติใช่ค่ะโยมโยมก็เลยเปลี่ยนฐาน ขอโทษค่ะตอนตอน่ใช้ใช้พุโทโธใช้โยมโยมใช้พุทโธค่ะคือโยมใช้พุทโธบริกรรมแล้วก็ เ, เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะพระอาจารย์เราหายใจเข้าด้วยหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโทอย่างนี้ใช่ค่ะพระอาจารย์ทีนี้โย <laughs> ม <laughs> าน ร่างกายมันไม่คุ้นจะโยกะี่โยกก็ไม่ได้ทํานลเพราะตั้งแต่จะพักไม่ได้คุยเข้าโท่ออกอะไรใช่ไหมเป็นแล้วก็ไป่โยทีนี้ก็หลังจากนั้นโยมก็มีอาการจมูกตึงก็คือมีหน้าผากตึงแล้วก็จมูกตึงค่ะทีนี้โยมก็เลยเปลี่ยนฐานยังไม่เปลี่ยนยังไมเปลี่ยนให้อยู่ยยกับพูดเข้าทร อ, อ่าไปเรื่อยๆเปลี่ยนไม่ได้ อ๋อหรอค่ะพอพอโยมก็เลยนั่งโยมก็เลยเปลี่ยนฐานเอาฐานจิตไปอยู่ที่ตรงลิ้นปี่เจ้าค่ะพอฐานไปจิตไปตรงที่ลิ้นปี่โยมก็อู้นั่งสบายมากเลยค่ะพระอาจารย์เย็นสบายโล่งมากโล่งแบบโอ้โหสบายมากแล้วก็มันก็ว่างเปล่าพระอาจารย์มันก็คือความว่างเปล่า พ อ, พอว่างเปล่าปุ๊บโยมก็เฮ้ยกลัวละกลัวก็คือกลัวผีพอพอจิตมันว่างเปล่าปุ๊บโยมก็เลยกลัวกลัวพอกลัวปุ๊บโยโยมก็เลยจะถอนตัวออกจากสมาธิพอจะรู้สึกจะถอนตัวออกจากสมาธิปุ๊บมันมีแสงพลังงานพระอาจารย์แสงพลังงานเข้ามาตรงที่หน้าผากของโยมพระอาจารย์น่ากลัวมากพระอาจารย์แสงเข้าปุ๊บปุ๊เหมือนในหนังเลยพระอาจารย์ โยมยิ่งกลัวไปใหญ่แต่โยมก็ยังบอกว่าเอ้ยอย่าลืมตาอย่าลืมตาจนจนโยมแสงพลังงานหยุดไปโยมก็ท่องพุทโธแล้วก็ท่องสมเด็จพ่อองค์ปฐมท่องท่องท่องจนจนพจนพยายามรู้สึกว่ามันจะออกได้แล้วโยมก็เลยพยายามหายใจเข้าออกแล้วก็พยายาม จับมือตัวเองให้ว่าออกได้แล้วนะออกได้แล้วนะพอโยมถอนตัวออกจากสมาธิโยมก็โอ้โหตัวสั่นไปหมดเลยพระอาจารย์ตัวสั่นกลัวกลัวมากแล้วหลังจากนั้นโยมก็หยุดไปพักหนึ่งไม่กล้าสวดมนต์ไม่กล้าไหวนน้พระไม่กล้ า, านั่งสมาธิเพราะว่าโยมมีอาการจมูกตึงพระอาจารย์ จะมุกตึงแล้วก็ตรงหัวเนี่ยมันจะมีคล้ายๆพลังงานจี้ลงที่หัวล่ะจี้ตรงที่หัวนะอาจารย์ก็คือมันเป็นตลอดเวลาพอาจารย์เป็นตลอดเวลาเลยแล้วพอพอโยมรู้สึกแบบก็คือกินข้าวกินข้าวไม่ได้เลยนะอาจารย์เพราะความกลัวกลัวก็คือรู้สึกว่าจิตเราหายไปรู้สึกว่า คุณคุณอ้อมคุณออมคุณอ้อมกดเปิดอิกทีครับคุณอ้อมกดเปิดอิกทีครับเดี๋ยวนะครคุณอ้อมกดอันมิวอีกทีครับกดอันมิวอีกทีครับเสียงไม่ได้ยินคุณอ้อมกดอันมิวอีกทีครับกดอันมิวอีกทีครับเนี่ยฮะตอนตอนเนี้ยสัญญาณคุณอ้อมอ่ากดอันมิวฮะ U N M อืมโอเคอ่าพูดพูดต่อครับอ๋อค่ะ ก็คือโยมก็หยุดหยุดไปหยุดก็คือหยุดสวดมนต์หยุดนั่งสมาธิไปพักหนึ่งพอใจโยมรู้สึกดีขึ้นโยมก็กลับมาสวดมนต์แต่โยมไม่นั่งสมาธิฟระจานแต่อาการของโยมก็ยังมีอยู่ตรงที่ว่าจมูกตึงแล้วก็ตรงที่หัวโยมเนี่ยก็มีมีเหมือนอะไรพลังงานจี้ลงที่หัว เนี่ยตลอดเลยพจาจรย์เป็นไรที่ทรมานมากเลยคะ่ะพจาจรย์คำถามโยมคือโยมควรทาเช่นไรพเจา้าคะพเจรยนก็โยมไม่มีเจตนามันต้องมีพูโทโธอยู่ตลอดเวลาโยมพอติ้งพุโทโมันอเกิดอาการานี้เกิดขึ้นมาต้ออยู่กับพูโทโธไปเรื่ อ, อยๆโยมนั่งพุโทโธไปสักพักแล้วพ็มีอะไรเกิดขึ้นโยมก็ไปกลัวไปเจนเต้นตกใจ ไป ม, มีปฏิกริยาก็มันนั่นก็เลยการมีคนเป็คนบ้าไปเนี่ใช่พระอาจารย์เนี่ยโยงโยงกลัวโยมบ้า น, นี่แหละโยมก็เลยอไม่มีไม่มีสติมันก็เป็นเป็นคนไม่มีสติก็ต้องตอบกูโทรไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่าไปสนใจกูโทรไปจนกว่าใจจิตจะว่างใส่ผมแล้วเย็นสบายถ้ามันยังมีอาการ ก, กลัวอะไรเกิดมาจะไปสนใจกลับมาที่พุดโทรพโทรโทรไปอย่างเดียว นั่นเตนืนตลกทิ้งพุทโธ ท, ทิ้งลมไปกับอาการนลมต่างๆที่ปากคนใหเห็นแล้วก็ไปถึงนเต้นตกใจไปกับมันมันก็เลยเนี่ยเป็นลักษณะแบบนั่งสมาธิกบบสติหายหร <c oughs> สติแตกใช่ไหมอาจารย์ใอาจารย์เพราะเพราะว่าเพราะตอนตอนที่นั่งตอนที่นั่งนะคะตอนที่นั่งนั้นาสบายมากเลยเอาจารย์ สบายโล่งแล้วก็เจอความว่างเปล่าพอเจอความว่างเปล่าเฮ้ยก็กลัวเนาะพระอาจารย์กลัวผีอะถ้าแ ม, มันไม่มันมเสียสติแล้วถ้ากลัวผีสแสดงเสียสติแล้วสติหายไปแล้วให้โยผุดโทไปเอยะไรเรียนไปปล่อยไปไปคิดตกแต่งถึงผีถึงบ้าถึงบอยต่างๆเขาจะมีของเราไปคิดตั้เองนะพระอาจารย์คําถามโยมนี้ก็คือณนะตอนนี้โย ม, มีอาการจมูกตึงมากเลยคะ่ะอาจารย์ แล้วก็มีอะไรที่อยู่ตรงที่หัวพระอาจารย์มันมันทรมานโยมควรจะปฏิบัติยังไงให้อาการนี้จบสภาวะลงค่ะพระอาจารย์มันเป็นเฉพาะตอนที่นั่งหรือตอนที่เป็ น, นหรอือล่ะเป็นทุกเวลาค่ะต้องไปหาหมอจะเป็นยเรื่อง<อ>ของร่างกายเรื่องของร่างกายใช่ไหมคะพระาจารย์ไม่ใช่เกี่ยวกับการนั่งสมาธิไม่ไม่เกี่ยวกันหรอ แตถ้ามันเป็นเฉพวลาที่นร่างสมาธิมันก็เป็นกิเลสกิเลสมันจะต่อตา้านมันสร้างอาการต่างๆพอไม่นั่งมันก็หายไปแต่ถ้ามันเป็นตลอดเลลวลาต้ถ้ามันนั่นคงคืนนี้จะแต่งเปเรื่องของร่างกายเนี่ยเราต้องไปปรึกษาหมอยู่ว่าเป็นอะไรอ๋อค่ะอาจารยตนนนนะะ์ตอนนี้เป็นหรือเปล่าตอนนี้เป็นหรือเปล่าเป็นเป็นค่ะอาจารยออ์พอทนได้หรือเปล่าอะไรนะคะ พอทนได้เปล่าพอพอท<น>ุนได้ไดค่ ะ, ะพอทุนได้ค่ะแต่แปลนะพีาจาย์มีอยู่สองคืนมาร์คพีาจาย์โยมอะฝันฝันเรื่องผิดสีเนี่ยฝันเรื่องรามกพอฝันเรื่องราโมกวันต่อมาโยมอาการนี่หายไปนะพีาจานโยมก็เลยสงสัยว่า เ, อเอกเอะไก็ได้เรื่องันก็เรื่องฝันเรื่องมรดการแล้วนี้อาการกลับมาใหม่อลไรค่ะก็ค่ะเนื่กลับก็คือสองครั้งเลยนะคะพระอาจารย์ที่ว่าโยมพอพอโยมอ่ะฝันผิดศีนเนี่ยฝันผิดสีนเนี่ยวันต่อมาเนี่ยอาการของโยมอาการอาการจมูกตึงอาการจี้หัวเนี่ยไม่มีนะคะพระอาจารย์โยมก็เลยสงสัยเฮ้ยด้ว่ pues วายโยมจะต้องไปทําผิดสีอาการนี้มันถึงมันถึงจะหายไป ตอนนี้มันกลับมาก็เลยค่ะอาจารย์ น, นี่กลับมาก็เลยค่ะเป็นอจจะไรอย่างตอนที่ป็นไปวามไม่ได้ทนาเป็นกี่วั น, จจนมันหาไปแค่วันเดียวพ่อาจารนเออแล้วก็วกเป็นเรื่องของก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้ก็แล้วแต่อยู่ทีว่าทุกครั้งที่มันฝันรำลกแล้วมันหายหรอือเปลมันกม็มันก็คือ มันควบคุมความฝันไม่ได้อาจารย์แล้วโยงก็ไม่อยากทำก็อยากไปสรุปสียก็อยาาไปสรุปว่ามันฝันละมกมันจะไม่หายมันอจะเป็นเหตุผลอเลยก็ได้ใช่ไมเราไม่สรุปเลยเราเป็นรักาคุ้มทุกครางแล้วการันหาไปทุกครั้งก็แสดงว่านี่เป็นวิธีแก้ปัญหาวาเราือต้องฝันลามกมัหายก็คือ โยมก็สงสัยว่าโยมควรปฏิบัติยังไงเพราะว่าอาการนี้มันเป็นแบบใช้เฉยๆหรือว่าเปอย่างนี้หรือเวลาผ่านอย่างนี้มันก็หายหรือเป็นเรื่องของกิเลสก็ได้กิเลสเป็นชอบของรามุกพอมันได้ของละมุกมันก็ได้มาทําให้เราอาการู้สึกเจ็บปวดตรงนี้ก็ได้พอมันไม่ได้มันก็จะทําให้เราเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาไปแล้ว พระอาจารย์โยมก็เลยสวดมนต์อย่างเดียวค่ะ อ, อืไม่นั่สมาธิแล้วเพราะว่าอย่างอย่างพระอาจารย์ว่าแหละพราะกลัวเดี๋ยวจบบ้าเออแต่ยังไม่มีสติพออย่างเพิ่งไปอย่างเพิง่งไปนั่งสมาธิใช่เพราะเพราะว่าตอนตอนที่โยมนั้งสมาธิอะาะว่าก็คือโยม พ, พยายามทําก็คือทําทั้งสามอย่างทําทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนา โยมก็ไม่คิดว่าโยมจะแบบว่านั่งสมาธิแล้วจิตมันนิ่งเร็วอะพเาจารย์โยมก็เลยโอ้แปลกแฮะทําไมก็คือโยมโยมทั้งทําทั้งเชา้าทั้งเย็นอะพเจารย์เพราะไม่ได้ไปทํางานเพราะเขารอเหตุแล้วก็โยมก็อุ๊ยทั้งทั้งดีใจแล้วก็ตกใจในเวลาเดียวกันค่ะพเาจารย์เพราะว่าการที่เรามาทํา เขาเรียกว่าภาวนาเนี่ยเพื่อทําให้จิตเราสงบมีความสุขแต่ทําไมพอโยมทํำยอมถึงรู้สึกกลัวกลัวแต่ยมก็ยังเชื่อในพระพุทธศาสนายังเชื่อในพระพุทธยังเชื่อในพระพุทธเจ้าอยู่นะเจ้าค่ะเรากลัวไมไดเพราะเตุใงนั้นพอเราไปเจออะไรที่เราไม่ชาบแล้วก็กลัวมันขึ้นมาแล้วกขหลอกตัวเราเองว่าเป็นผีเป็นอะไรขึ้นมา พระอาจารย์เราเรายมควรทาควรคิดเช่นไรเจ้าคาถึงจะไม่กลัวผีอางกุทโธไงเวลาพอมันกลัก็ตพุทโธพุทโธไปคุณทิงพุทโ ไ, ไปแล้วไปหาผีก็ลืมพถึงจิดจมาหาพุทโธเยียไ ป, ไปมันหาผีอย่าปล่อยปลมันทิงผีมันก็กัวเลยอมาเคถึงพุทโธพุทโธมันก็หายัวโอเคครับ <Okay, S 2> แต่ดามก็ไม่มสติอที่จะเดินกลับมาหัวโตถูกขีดหนึ่งไปอพอคิดถึงผีหนึงไปเมื่อเลยทำให้ยิ่งกลัวใหญ่ผีมันไม่ใชไรมันไม่มีนั่นเองแต่เราไปคิดมันขึ้นใหม่คิแล้วก็กลัวมันขึ้นมาใช่ค่พระอาจารยนะ์ตอนนี้เป็นพูดโทรวัต้องพูดโทรพูดโทรล้มันแข็งแรงก่อนแล้วถาอยาก็ลักวก็พูดโทรพูด ใช่ค่ะยมก็ยมก็คิดเช่นนั้นว่ายมบอกว่าเออถ้าใจยมยังไม่ยังรักคลมกลัวไม่ได้ยมก็ไม่ควรที่จะนั่งสมาธิยมควรจะสวดมนต์อย่างเดียวก็ยมก็สวดร้อยแปดอิติปิโสนะเจ้าค่ะพยายามสวดร้อยแปดอิติปิโสแล้วก็สวดอ่าบทพระชินคาถาพระชินบัญชอนเพื่อเพื่อทำให้ใจเรามีกำลังดีกว่าสร้องมีสติสร้างสติขึ้นมาก่อน ใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าพูดด้วยพูดโทด้วยพูดโทด้วยพูดโทด้วยเจ้าค่ะด้วยนะกลัวก็สวดสัหะชินมณฑรไปก็ได้เวลาเกิดความกลัวก็มาก็สวดตาดาที่เราสวดอยู่นี้ไปแลค่ะแล้วความกลัวเราก็จะห้ไปถ้าเราไม่เคยพูดโทดแต่เวลาเราพูดโทไม่ออกถ้าเราเคยสวดแล้วแต่เวลากลัวก็สวดสวดไปสวดบมที่เราเคยสวดไป ขอบคุณมากค่ะบอาจารย์เจ้าค่ะรงมหมดคําถามแล้วค่ะอาจารย์อาจาุ จ, จ, จาครัอาจารย์ตัดต่อไปเอ่อหลานมีคําถามของเฟซบุ๊กไหมหลานมีคําถามจากเฟซบุ o กเจ้าค่ะจากคุณทิพย์พารดาค่ะนมัสการเจ้าค่ะช่วงนี้ว่างงานบริษัทปิดชั่วคราวมีความทุกข์ ต้องทำอย่างไรเจ้าคะก็นักสมาธิไปฟังเทศทางธรไปอืออใจไหมเปีอะไรปรับปรอบมองอะไรไม่มีอะจะให้ก็ให้พยายามทำฝึกสมาธิฝึกสติไปสวดมนไหวพราไป นั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมไปถือว่าโชคดีตอนนี้มีเวลาปฏิบัติทนะํานะเพราะไม่ต้องไปทํา ง, งานอย่าไปนั่งคิดถึงงานอยากจะได้งานยิ่งคิดยิ่งอยากยากิ่ทุกข์ใหญ่อย่าไปคิดเองเหมืนคิดว่าเดี๋ยวเหมือนเหมือนอินฟ้าอากาศเดี๋ยวถึงเวลางานมันก็มาเองถ้าตอนนี้ออกไปหา ง, งานได้ก็ออกไปหาอานไม่ได้มป็นเวลาว่านอยู่บ้านก็พุธ จุดนอนไปนั่งสมาีิไปพอใจไหมคุณคุณคนล่ามิคำถามตอบไหมไหมมีคำถามได้เจ้าค่ะมีคำถามเดียวเลยได้ท่านตอบไปบ่อยๆมีคะถา ม, ถามไหมเมื่อกี้คุณไอโฟนสิบเอ็ดปุ้มยกมือนะครับคุณไอโ o นสิบเอ็ดปุ้มนะฮะคุณไ p โฟนสิบเอ็ดปุ้มได้ยินไหมครับ เปิดเปิดไมค์ได้เลยครับอันมิวครับโอเคได้เลยครับค่ะกลับในมัส ก, การผ้าจารย์ค่ะอยู่ที่ไหนจ้าอืมหนูอยู่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะผ้าจานเออเมืองไหนเมืองอะไรอืมอยู่ที่บริกอยู่ที่วาริสค่ะใกล้ใกลเมืองอะไรเมืองใหญ่อะไรเมืองอะไร อ่าใกล้ๆออกมาแถบทางอิตาลีอะค่ะพราอาจารย์ตอนตอนใต้เราไม่ซืะนะ้อจานใช่ค่ะพราอาจารย์โอเคใ ต, ใ, ต ใ, ตใต้ก็ั้งจากกรุงเบร์โงแด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใต้กรุงเบอร์อยู่ระหว่างอ่ระหว่างอิตาลีกับฝรั่งเศสนะคะพรอาจารย์มันใกล้ๆกันนะคะอคค่ครับถามอะไรไหมค่ะคอยากมีคำถามก็คือว่า คือเคยเคยปฏิบ um ัติมานะคะพระอาจารย์แ <fact> ล้วทีน like ี้มัน <jakieś> ม <Mexican> <So, S 1> ันมีการเว้นระยะพอเว้นระยะแล้วพอจะกลับไปใหม่นี่ทําไมมันกลับยากจังเลยคะพระอาจารย์มันต้องใช้ความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือต้องแบบคึกมากๆใช่เพราะว่าพอทิ้งมันไปมันก็จะมันก็จะทําให้ลืมทําำให้ทำไม่ยากในนอกจพยายามปฏิบัติเรื่อยๆอย่าไปทิ้งมัน เอาไปทิ้งมาแล้วแบบเขาจต้นหน่อยคือแล้วเราจะมีวิธีแบบว่าให้ให้ให้ใหเราฮึดฮึดสู้กับกิเลสของเราได้ยังไงที่จะจะกลับมาให้แบบพยายามเหมือนเหมือนตอนตอนที่เราเริ่มเริ่มก่อนหน้านี้นะค่ะให้ได้อาจจะมีวิธีทือว่ า, าค่ะอา้าใครได้ไม่เป็นเราฟังเทศฟังทรรของครูอาจารย์ เด่ส่งองดาบังได้ส่งมาปฏิบัติในกาจะเล่าวิธีทำให้ใจเกิดความเียขึ้นมาได้หรือ mm hmm. คิดถึ ง, งาาคาสอนของพระเจ้าที่ถึงผลเราจะได้จากคาสอนนั้จะทำให้เราเกิดกาลังใจขึ้นมาได <Okay. S 2> ้คิดถึงว่าผู้ศรทธาประ <Okay. S 2> ค ว, วันที่พราเจ้าปฏิบัติท่านปฏิบัติอย่างไรมีสิ่งผ้าที่พระสงฆ์ท่านปฏิบัติกันอย่างไร เราจะได้เห็นนั่นเป็นตัวอย่างแล้วเราจะได้มีกำลังใจที่จะปฏิบัติคิดถึงคนที่เราคุณได้จากการปฏิบัติเงันเดือนเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราจะได้กันเดือนแต่แล้วขยันไม่ทำงานใช่ไหมถ้าเราไม่รู้ว่าจะได้กันเดือนตลอดแล้วไม่รู้จะไปทำไหมทั้งที่มันไม่รู้จะได้หรือเปล่าต้องพยายามคิดถึงคนที่เราจะคุณได้จากการปฏิบัติอยู่เรื่ย เราจะได้ลดนจากการเวียนว่ายใจเกิดจะได้พบกับรถแห่งธรามที่ชนะลถทั้งปวงแต่ความสุขที่เดนือกว่าความสขทั้งปวงนันคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทําให้เราเกิดกําลัใจที่อยาปฏิบัติต่อไปค่ะขอบพรคุณกับพี่ จ, จอมพยายามความเทศความธรมอ่ากูปาราเรื่อยอ ย, อย่ายาทิ้งคํทาทุกวันด้ยิ่งดี ทำแล้วมันจะมีทํมามะหล่อเลจิตใจและทำให้จิตใจแบบว่าทำให้จิตใจมีกําลังได้ค <Okay. S 2> ่นะเข้าใจค่ะพยายามเวลาฟังฟังฟังประจําค่ะอย่างของพระอาจารย์นี้่ผูจะฟังประจําแต่บางทีเวลาถึงจะแบบปฏิบัติจริงๆช่วงนั้นมันมันดีมากแ ต, าแต่พอช่วงหลังมาทําไมทําไมมันเนือยเนื่อยมันเป็นแบบมันอืดมากค่ะพระอาจารย์ หมูก็เลยว่าทำยังไงเราจะให้เราแบบฮึด ข, ขึ้นมามากๆทามันก็แบบต้องรูนะ้คู่คานบงทีก็แรงบทีก็ค่อยค่ะแล้วต้องใช้แล้ต้องควบคุมบางครั้งแล้วต้องกำหนดเวลาปฏิบัติถึงเวลาก็ต้องปฏิบัติใช่อยากปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติแล้วต่อไปเราก็จะได้ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเสมอ ถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์เดี๋ยวก็จะร้องรู้คู่ขาดอะไรอย่างเนี้ยอย่างเรามีกนลังใจปฏิบัติก็ปฏิบัติถ้าไม่มีกำลังใจก็ไม่ปฏิบัติพอไม่ปฏิบัติพอกับมาปฏิบัติใหม่ก็รู้ส็กมันยากขึ้น <Okay. S 1> ต้องพยายามรักษาระดับการปฏิบัติให้มันสม่ำเสมอ <Okay. S 1> แต่ปล่อยให้มันขึ้นลงลงต้องบังคับมันอมาใ น, นถึงเวลาปฏิบัติแล้วต้องปฏิบัติ อยากจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าต่อไปแนี่ปฏิบัติยากขึ้นแต่ถ้าปฏิบัติตอนนี้แล้เขาต่อไปมันก็จะง่ายเหมนเรื่อยาัญญแต่เหมือนกับกินเรื่องมันกันกินข้าวนะถึงเวลากินข้าวอยากกินไม่อยากกินก็ต้องกินลนะ่ะถ้าไม่กินนะเดี๋ยวมันเหิวกินแล้วถึงแม้ไม่ไม่อยากกินก็กินมาไปอย่างนั้นมันก็จะได้มีอาหารอยู่ในท้อง พอถึงเวลามันจะได้ไม่อยู่เราต้องไปยายามควบคุมบระดาบตัวเราเองให้มันทํทาตามกําหนดเวลาเวลาที่ต้องปฏิบัติพอถึเวลาก็ต้องปฏิบัติอยากก็อยากก็ต้องปฏิบัติไปตอนนี้นทำ <Okay. S 2> อย่าร่มมึงจริงก็ไม่อยากปฏิบัติมึงที่งก็อยากปฏิบัติถ้าปล่อยไปตามอารมณ์มันก็ค่อยๆลงล ง, งไปปล <Okay. S 2> ่อยไม่ถึงไหนแมึงก็ ก็ตายกับเต่านะกระตายมันอยากจะวิ่งมันก็วิ่งมันแค่เจ็บรวิมันก็ไม่วิ่งแต่เต่านี่มันไม่เบียดลมมันเดินมันเดินอย่มันไปเรื่อยๆินแล้วข้าวกิแล้วก้ามันไม่อยู่ไม่หย่อนเ๋วมันก็ชนะกระต่ายกระตายน้ำเต่าเก่งนะเต่าแต่พอกระตายที่เจียร์เชื่อมันไอยากวิ่งขึ้นมากระตายก็น้ำเต่าก็น้ำหน้าไปไกล แค่ตับตัวเหม็นเต่ายังไม่เป็นมก็ต า, ตายใช่ไหมคะอาจารย์โอเคนะโอเคครับค่ะขอบคุณครับอาจารย์ต่อไปต่อไปต่อไปคุณคุณอโปรครับเด็ดยกมือนะครับคุณอัปโป้ครับพูดได้เลยครับแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยนี่ครับ มันไได้ยินมันไม่ได้ยินครับคุณนักกาเข้ า, เ, ขาเอาไมค์เข้าใกล้ปากหน่อยครับได้ครับลอเคผมทีคำถามหนึ่งนะครับคว่า คุณพ โ, โครับฟังฟังไม่ชัดเลยครับต้องต้องเอาไม้ใกล้ใกล้ปากเลยครับเข้าเข้าเ ข, ข้าไปใกล้ใกล้ใกล้ใกล้เครื่องเลยนะฮะไม่ไม่ไม่ชัดเลยครับอเออคุณคุณอัพโป้ลองลองลองใช้ใช้ใช้หูฟังแล้วก็ใช้ใช้ไมโครของเครื่องดูอา่า ผมว่าสัญญาณเขาไม่ดีค ร, ระาอาจารย์ตอนนี้ภาพตอนิ่งแต่ละวคเดี๋ยวเดี๋ยตัดเป็นคนอื่นก่อนนะครับเมื่อกี้เห็นคุณอาอเดียยกมือนะฮะคุณออเดียยกมือเปิดเปิดไม้ได้เลยครับคะ่ะอ่าอ่าใหม่เปิดไม้ครับตอนน่าเอามาอ่าเปิ ด, ปดได้เลยครับครับครับโอเค กลับน้ำมัสการอีกครั้งค่ะพระอาจารย์พอดีฟังฟังเราก็มีคําถามอยากจะถามเหมือนกันว่าเออ่คือว่าช่วงเนี้ยลูกอ่าโยมเริ่มนั่งปฏิบัติสมาธิเรื่อยๆจากเมื่อก่อนอ่ะดังได้ไม่กี่นาทีตอนนี้ยประมาณทุกครั้งเลยได้ประมาณยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะทีนี้พอนั่งเนี่ยทําเอาเวลานั่งตอนกลางวันถ้าว่างอย่างเงี้ยค่ะมัน รู้สึกเหมือนนั่งนั่งไม่ค่อยมีสมาธิแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนนะคะจะนั่งได้ดีมากเลยแล้วก็นั่งดีในที่นี้คือบางทีเราก็มีเหมือนกันนะคะที่ว่าเหมือนกับความคิดละไปอะแต่ว่าโยมก็จะตามความคิดว่าเออไปอ่างไหนคิดเรื่องนี้แล้วก็บอกบอกให้กลับมาที่ลมกลับมาที่ลมหายใจกลับมาดูลมบกลับมาได้แล้วให้ดูลมให้ดูลมให้อยู่ให้อยู่ตรงนี้แล้วก็นั่ง แล้วทีนี้นั่งไปอย่างเงี้ยเี่ยพอมันเหมือนสงบโยมเป็นเนบชายโยมก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าเป็นเนบจนออกจากสมาธิอย่างเงี้ยแล้วเราถึงจะรู้ว่าเราเป็นเนบอย่างนี้ถูกมาถูกทางหรื อ, อยังนะคะ ร, ร, ร, รู้สึกคะ่ะรู้ดูลมตลอดเวลา ไ ม, ไ, มมไม่หลับไม่หลับไม่คเค<ล>ยหลับเลยรู้ตัวตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่านั่งดูพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกอ่ตลอดก็ไม่คิดอะไรอยู่กัลมไปเรื่อยๆอยู่กับลมแล้วก็แต่ว่าหมายถึง ด, ดูทั้งลมด้วยนะคะแล้วก็พุโทโธไปด้วยอย่างนี้ทำพร้อมกันได้ใช่ไหมเจ้าคะได้แต่ไม่ไปคิดเรื่องอื่นไไปคิดเรื่องของนานคนนีะที่ท่านงนี้ค่ะ ให้อยู่กับพุโทโธอารมณ์เนเิ่นไม่ให้รู้สร็จอะไรกับล่างกายก็จะแรงว่าจิตพนันมีสติอยู่กับการน อ, อนะค่ะ <c oughs> ไม่ไม่หลับไม่ไม่ไม่เคยหลับนอกจากตอนนอนอย่างเงี้ยถ้าจะนอนก็กับพุโทโธด้วยเหมือนกันค่ะพุโทโธให้หลับไปเลยอย่างงี้ยนะพุโทโธก่อนแล้วถ้าจะหลับก็หลับอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อยู่กับพุโทโธตลอดแต่เพียงแต่ว่าอยากจะถามพระอาจารย์ว่าทําไมกลางคืนถึงจะรวบรวมสมาธิได้ดีกว่ากลางวันเพราะ เพระอะไรอ่ะคะ่ะกลางวันหนูนั่งดูคนอย่างจุดจะสวดมนต์ก่อนนะคะทําทําวัดเช้าอะ่ะทําสวดทําวัดเช้ า, ชาแบบสวดแปะคะ่ะพอเสร็จแล้วถึงจะนั่งสมาธิต่อแต่ทีนี้นั่งแล้วนั่งไม่ค่อยได้นั่งได้ประมาณห้านาทีสิบนาทีแต่ถ้าเป็นกลางคือนอะคะ่ะโยมท่องอิติปิโสก่อนก่อนนั่งสมาธิแค่บทแค่หนเดียวสวดสวดบทเดียวเท่านั้นแล้วก็นั่งสมาธิแต่ว่านั่งได้นาน 2ี่สิบกว่านาทีถึงสามสิบนาทตีต่อครั้งอค่ะก็ขอเราเป็นอ่างนี้ทำานมัลุกลุกวุ่นวาทั้เรื่องนี้มันก็น่าประปรเกิาทเดีนก็ันก็นก็ี่มนงา่าอ๋อคือถ้าเหมือนกับพูดง่ายๆเราได้ที่รู้สึกว่าเราวาสปะยะเราก็เลยจะสงบอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะใที่ที่เหการของเรา แต่กว่าเาะรท้ดี่คดเ่อนนเนกัแด้เร่คะไแล้วการที่โยมค่ะแล้วโยมเป็นเป็นเ็กชาแต่โยมไม่รู้ตัวนะคะว่าโยมเป็นเน็บนั่งเพราะเพราะกำลังกำลังนมลมหายใจ ไม่รู้สึกไม่รู้สึกถึงตัวเองเลยครับค่ะติดนะนั่งสมาธิแล้วเริ่มติด ช่วงนี้รู้ตัวเลยว่าเริ่มติดสมาธิมากอยากจะนั่งอยู่เรื่อยๆนั่งนิดๆหน่อยๆก็ขอให้ได้นั่งนั่งห้านาทีสินาทีก็นั่งเต้นสมาธิไม่ติดอะไรเต้สมาธิไม่เป็นไรดีกว่าไม่ตย่งเลยนะค่ะใช่ค่ะนี่น้ำละค่ะเดี๋ยวพุ่งนี้ไปข่าวพอาจารย์ค่ะอต่อไปครับคุณคุณไอโฟนคุณไอโฟนครับมีอะไรจะพูดไหมครับคุณไอโฟน เปิดเปิดไม้ได้เลยครับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมาจากไหนคุณนาคนอยู่ที่มาจากฉะเชิงเชียงซาค่ ะ, ะค่ะก็เข้ามานมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็จะมาส่งกันบ้านด้วยเจ้าค่ ะ, ะค่ะ อ, อ่าหนูหนูเดินกรรมฐ า, านนะคะ อ่เาเราวๆประมาณครั้งละสองชั่วโมงค่ะหนูก็กำหนดพุทธโทค่ะก็ก็ระหว่างการเดินก็มีจิตส่งออกไปข้างนอกบ้างแต่ก็สามารถดึงกลับเข้ามากำหนดพุทธโทได้เร็วขึ้นแล้วก็ตอนนี้หนูก็เข้าใจว่าตัวเองมีความเพียรมากขึ้นค่ะค่ะแล้วก็เวลาหนูแผ่ค่ะ ค่ะเวลาหนูแผ่เมตตาค่ะอบ่อยครั้งจะเกิดอ่าขนลุกขนขนหัวลุกขนตัวลุกตลอดนะคะพระอาจารย์อ๋อค่ะค่ะ ค่ะเมตตาต้องเกิดจากการกรทําของเราตอผู้ <c oughs> ในเวลาเจอใครก็รรเราทักทายเขาสวัสดีค่ะสาัสีค่ะนี่ว่าแผนเมตตค่ะ <c oughs> ถ้าเราจะโกรธไปก็อย่าเล่นเป็นเรื่องของการภาวนาเรื่องของการเจอแล้สมาธิมากกว่าค่ <c oughs> าะอ่าในวันทเกิดอาการที่สุดตี่แตกขึ้นมาได้ค่ะ <c oughs> ที่เราจะชอบบท เนแ่จมพอร่ไแล้วก็กระจาของโรคขนีก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็ค่ะแม้ไม่ต้องไปยึดติดใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่ต้องยึดติดแล้วก็ยังม่เด้เป็นคนที่เร้องกันการแพร่แม่านี้เต้องแพรที่เราไปเจอคนเป็นคนทำให้เราโกรธแค่นแล้วก็จะเปไล่ไล่ไปเขาอืม เ, เจ้าค่ะ เ, เจ้าค่ะอ๋อเจ้าค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนที่คืนวันเสาร์อะค่ะหลังจากทำะวะัดหนูไปบวชถือศีลแปดนะค ะ, ะตอนเย็นหนูนั่งสมาธิค่ะแล้วคราวนี้จิตหนูอะไปแวบเห็นภาพหนึ่งอะค่ะเป็นภาพที่กำลังปรงผมเขาจัดผมหนูอะค่ะเป็นช่อๆกำลังจะปงผมอะค่ะพระอาจารย์ แล้วก็พอคืนวันอาทิตย์หนูกลับออกศีลแปดมาแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านคืนนั้นหนูก็ฝันเห็นแม่ชีมาสอนสอนธรรมะหนูอะคะ่ะเ จ, จ, จ้าค่ะค่ะอาจจะเป็นจิตหนูไปผูกพันเกี่ยวกับเรื่องธรรมะอย่างนี้ใช่หมคะพาาระอาจาจรย์เอ่อจิตเราผูกติดไป ค่ะูเจรู้แล้วก็ายด่รู้จรู้ว่าไม่ใช่ว่าใลตาเจ้าค่ะเจ้าค่ะแบบที่ก็เป็นรูปเป็นที่เรูปก็เป็นภาพั่เจ้าค่ะทำไมก็ผ่านไป ปเค่ะเจ้าค่ะ ข, ข, ข, ขอบขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะ เ, เดี๋ยวทั้ทงหลานจะมีคําถามภาวานาอีกสองคำถามครับจากเฟซบุ๊กครับเออมีสองคำถามเจ้าค่ะ คำถามแรกจากคุณจิตเจ้าค่ะตามนักมัสการเจ้าค่ะถ้าเรานั่งสมาธิจดจ่อกับพุทโธจิตก็ท่องพุทโธแต่มีอีกจิตหนึ่งที่คิดไดเปเรื่อยในเวลาเดียวกันแบบนี้ถือว่ามีสมาธิหรือไม่เจ้าคะย้งไม่มีแต้องอยู่กับพุทโธไปตอนนี้แข็งอันจตเร่อยไปสองสที่ อยู่พดโทรศัล้ก็ไปอความคิดนั่นเรืเราอยู่พูดโดโทรศัพท์่อยๆจนกว่ความาาปปาคามิดจะหายไปถึงจสมาธิถามที่สองจากคุณลดาวไวไลฟ์แบบน้มาสการเจ้าค่ะถ้าเราภาวนายังไม่ได้สมาธิเป็นฐานที่แน่นเราสามารถออกไปพิจารณาร่างตายแบบจินตนาการถึงสมองตับ ไปไส้พุงมาวางตรงหน้าได้ไหมเจ้าคะเพราะว่าบางทีนั่งพุโทโธไปแล้วง่วงเจ้าค่ะได้ถ้าถ้าง่วงใช้ใช้กทัเป็นเป็นการเป็นการานาก็ได้ใช้ทนพุทโธได้ัถ้าง่วงก็เปลี่ยนเป็นันส้ถามหมดแล้วเจ้าค่ะ จะเอ อ, เ อ, อพดีครับพอดีมีคุณออฟฟนะฮะเมื่อกี้ที่เขาเขาต้องออกไปนะฮะเขาไม่ได้ยินเสียงนะฮะเขาถามมาใน f a c e b o o นะฮะเขาบอกว่าผมมีเรื่องสอบถามพระอาจารย์ว่าผมนั่งผมนั่งสมาธิจนจิตนิ่งแล้วพิจารณาขันห้าแต่ผมรู้สึกว่าจิตยังฉลาดไม่พอยังแยบคลายไม่พอที่จะเข้าใจมันผมไม่รู้ว่าผมควรจะทำอย่างไรให้ตัวจิตฉลาดขึ้นเพื่อแจ้งในผลครับ เวลาจิตนิ่งไปทำอะไรยามสมาธิทำได้จิตนิ่งนานเพราะจินิ่งก็ไปเด็กมันมักคิดมันก็หายนิ่งตัปปะยนั้นนิ่งนานมันจะได้มีสมาธิแล้วรอเวลาออกจากสมาธิมาที่ยคิดเรื่องอัตถรือะไรต่างๆคิดไจนบางจะเมื่อยจะอยากไปอยู่คิดแล้วกกับมาทสมาธิให่ที่ทำสมาธินิ่ก็พักคิดไม่ใช่ไปใช่ทำลา ิดก็จะได้มีแรงออกจากสมาธิมัจะได้ใช้จิตที่มีแรงนี่จะพิจนารณาทําัพิจนารณาจหมดแรง ก, ก็กลับเข้าไปในสมาธิมใช้เข้าไปด้สมาธิพอคิดนิ่งก็กลัมาทำงานมัน้น แ, บบแนแบบยังไม่ฉันยังไม่ทํานักก็มาใช้มั น, มนก็ไม่เต็มที่มันต้งแยกการทำงานการทำสมาธเราไม่คิดาไม่พิจนารณาเราทำไมันิ่งนานนะ พอมันได้เตี่แล้วมันออกจากสมาธิมามันกบมีกำลังที่จะป พ, จนนานานพิจารณาใน้นาคพิจารณาเรื่องเห็นาพชัดขึ้นชัดขึ้นไปแล้วมันกจะปล่อยวางได้แร้วขึ้นเร็วขึ้นไปนต่อไปอคุณครับคุณคุณหาลไทยครับคุณหาลือไท ย, ไทย น, นมัสการพระอาจารย์ค่ะตัวเสียงนะครับ <Okay. S 1> ได้ยินไหมเจ้าคะได้ยินแล้วเชิญค่ะคือคราวที่แล้วโยมโยมถามพระอาจารย์ว่าโยมนั่งสมาธิแล้วเหมือนกับหลับไปแล้วพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้โยมอ่ะพยายามเคลื่อนไหวร่างกายค่ะโยมก็เลยเดินเดินจงกรมก่อนนั่งสมาธิปรากฏว่าก็อาการที่มันเหมือนกับง่วงแล้วหลับไปอ่ะค่ะมันก็หายไปค่ะแล้วทีนี้ก็ ก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆปกติเนยมสามารถที่จะเห็นอารมณ์ของตัวเองอะค่ะเกิดดักได้เหมือนเห็นความโกรธเห็นความโลภเห็นความความคืออะไรที่มันเกิดขึ้นกระทบเป็นผัสสะค่ะโยมเห็นค่ะทีนี้โยมก็เลยอยากอยากจะขอความรู้จากพระจารย์นะคะว่าที่เขาบอกว่าให้อยู่กับรู้อะค่ะมันหมายความว่าอย่างไรคะแล้วเราต้องปฏิบัติยังไงคะ มั้เ่ลนลระราเนเห็นคดไนมาต่ไ่ยุับขไปดนไปดค่ะีวไปมีอากเาก็คือทำใจให้มันเป็นกลางๆแค่เห็นมคะค่ะก็คือทำใจให้มันเป็นกลางๆแค่เห็นไหมคะค่ะ วนาตัวอเนค่ะต่มันเป็นนเป็น่อยาไม่เป็นมันะรับทุะค่ะก็คือให้มันมันมีอะไรก็ให้มันผ่านไปเรื่อยๆถูกไหมคะค่ะก็คือแค่ให้รู้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เรียกว่าอยู่กับรู้ค่ะโอ้ อ๋อโยมคิดว่าแบบต้องมีการดูแบบดูตัวผู้รู้อีกทีนึงอะคะ่ะโยมก็เลยงงงง ก, ก็แค่รู้ค่ ะ, ะ, ค, ะค่ ะ, ะรรอ๋อ олов, ค่ ะ, ะอ๋ะอเข้าใจแล้วค่ะ อแสดงว่าต้องทำอย่างนี้ต่อไปไไอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอทีุมธานีค่ะค่ะเออหมายถึงรู้ว่าเกิดตอนตอ น, ตอนอยู่ปกตินะคะในชีวิตประจาวันนะคะก็คือเวลาเหมือนเราคุยกับเพื่อนแล้วเนี่ยเราไม่ค่ะง ย, ยไปยไปานอนลัค่ ะ, คะ ค่ะโยมเคยเห็นตัวโกรธค่ะดดค่ะอืม ะ, ม ค, ะค่ะแต่ว่าโยมมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือโยมพยายามที่ว่าจะทำให้ตัวเองเวลารับประทานอาหารนะคะให้อยู่กับ การรับประทานอาหารแต่มันผือไผแบ่งทีพอทานไปเรื่อยๆแล้วมันลืมไปอะค่ะโยมอยากจะแบบให้มันอยู่กับมีสติอยู่ ก, กับการกินตลอดเวลาเนี่ยมันทํายากๆเจ้าค่ะกินให้ช้าค่ะคือพอเริกก่มค่ะคือพอเริ่ม ก็ดูที่เทียวเกียวกับคือนั่งคืนหน า, าไปนั่งเจ้าตัดข้าวมาแล้ว่าดูที่ช้อนมาเรื <c oughs> อ่องทำแบบสองเนี่ยพที่ตัดข้าวเที่ยวไปแล้วก็ตัดข้าวมาเที่ยวไปมันก็เไปใหญ่เลยพอเจอขาเสอตอนที่กินข้าวก็าที่ข้านี้ก็มาตัดข้าวข้าวนี้ก็าเที่ยวในป่าข้าวพวนี้ก็ ม, คมาคยาน อเกับาที่ชอข้าเาอปม่าอยู่ที่ปอใหม่เ่มแิา่ตอ้รปน่งนี้อ่ค่ะแล้วมีอีกคำถามหนึ่งค่ะตอนนั่งสมาธิอะค่ะเดี๋ยวนี้มันจะเหมือนกับ มันนั่งแล้วเหมือนกับอยู่กับความว่างอะค่ะแต่แต่โยมรู้นะคะว่ามันว่างอะค่ะแล้วโยมก็เลยเอ๊ะมัน่าโยมก็เลยต้องมาดูกายโยมไม่รู้จะทำไงไม่เข้าใจ้อย่างไปหอยู่กับความว่างไปเรื่ค้วามว่างใหจ้ให้อยู่กับความว่างไปเรื่อยๆแค่รู้ความว่างใช่ไมแก้วค่ะเออไม่มีอะไรคิดว่าสบา โ oh. ยมก็คิดว่ามันผิดปกติโยมก็เลยต้องเอ๊ะงั้นเรามาดูกายดีกว่าโยมก็เลยดูสแกนร่างกายไปอ๋อ oh, ค่ะงั้นเดี๋ยวโยมต้องทำใหม่ ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะตอนตอนนี้มีมีใครครับมีใครจะถามเปิดไม้ได้เลยนะครับมีใครจะถามเปิดเปิดไม์ได้เลยนะครับขอบอาจาย์ครับขอบคุณวาริสครับพระอาจารย์จาได้ไหมครับน้องพี่เหรอน้องพี่วาริสเหรอยูที่ไหนน้องพี่ตอนนี้ที่ที่ลาอาจารย์ไปบวชอะครับพระอาจารย์อ๋อ ต้องให้เห็นสแสงใจบวชที่ไห น, นครับท่าครับอาจารย์วัดป่าพุทธเบิกครับท่านที่เชียงรายเชียงพชบูรณ์ครับพิบูรณ์บวชไดหนค น, นเออเดือนบวชตั้งแต่วันที่สองกรกดาครับบ้านที่ไหนบ้านเดิมที่กรุงเทพครับพระอาจารย์ทพจำ เ, เที่ไได้บวชแล้วบวชแล้วก็ ก็ปกติอยู่สบายมันก็ต้องสุดอยู่แบบไม่สบายครับพระอาจารย์จะได้จะได้มีสติปัญญาจะได้เขาปกติเด็กก็ที่เด็กไม่ชอบามไม่สบายสุผมผมใส่ว่าถ้าจะนั่งสมาธิปฏิบัติภาวนานี่ให้นั่งตรมถะแบบ45นาทีแล้วนั่งวิปัสนาอีก15นาทีเดให้สลับกันได้เรื่อยๆครับพระอาจารย์เมื่อตอนนี้พยายามจะนั่งธรไมถปมากกว่า ไม่ต้องไปวิพากาที่โัฒนาเราไม่เลยนะเวลาม่ได้นังสมาธิเล้ก็มาวิกษนเนตอนนี้ตอนนี้ก็ไปพุทเจริาเจตสาเรามานาสันาดั่งยพเจริาตางางุกสองันแต่วลาด้านนี้ไม่ได้คิดอะไรในพเจาอ๋อครับแล้วเรื่องคือจิตสงบนี่แบบ ยังวิวิทย์พัสนานี้ตัดไปก่อนค่อยออกจากสมาธิมาค่อยวิพัฒนาใช่ครับไช่ใเมื่อเราเล่สมาธิแล้วก็นำวินาเทคนิคกันให้กำลังใจตัวเองในการอยู่แต่ละวันนี่คืออะไรครับอาจารย์ดูผู้ไร้ยางดูผู้บาอาจารย์ดูคนที่ไรัออยู่ได้แล้วก็ต้องอยู่ได้่หนี้ครับแล้วก็คิดถ็งว่า การบวเนีนะ่เป็นการสรับำที่ดีที่สุดเราจะได้สิ่งที่ดีที่ไม่มีอะไรในะโลกนี้ทำมารถให้กับเราได้นอกจากการวัวชเหมได้รับคนที่ผ่านถ้าไม่บวชเป็นคารวาจะมีหวังได้ที่พระอาจารย์ให้สอนมาว่าก่อนบวนว่าใครทําอะไรเย แต่ถ้าทาไม่ดีไม่ต้องไปสนใจเออตอนแรกนึกภาพไม่ออกเออนึกภาพออกเลยครับว่าเขาจะมาชอบตําหนิว่าเราชอบปฏิบัติภาวนาเขาจะบอกว่าทํำไมไม่ช่วยกิจส่วนรวมไม่ช่วยอะไรอย่างนี้เออต้องดึกเข้าใจนะครับที่ว่าอาารเตือนตอนก่อนเตจะบิรก็ครับเป็นหน้าที่ส่วนรวมทำส่วนรวมครับแต่อาจารย์เลือกตัวก็จะมาให้ไปทํำไม่ไปทําไม่ได้ ครับจิตจิตที่จะระลึกชาติได si> ้น si> si> si> ี่คือนั่งต่มาถาไปเรื่อยๆแล้วมันจะระลึกชาติได้เองหรือว่ายังไงหรอครับพระอาจารย์ท่นนี้มันไม่ได้ทุกคนหรอกแต่ไม่รู้นะเรก็ไม่มีมีการศึกากม่ปิไม่ได้เป็นอมเันนี้ชาตินี้มันไม่มันไม่จะเป็นต่อการรู้หน้าผลที่ผ่านมัลึกลึกได้ร ไม่ได้ทำให้เรกนีต่งตงางาจกคนอครับก็มาบวช น, นี่ก็ก็พยายามให้พยายามแบบบางวันก็จิตตั้งมั่นดีบางวันก็ตั้งมั่นไม่ดีไม่ดีกันเลยทาให้เกิดความท้อแท้บ่อยเหมือนกันนะครับอรย์ถ้าเราเผลอเสพก็เลยไม่ตั้งมัน่นต้อเรียนกลับมาอุตโธวุตโธวุตโธไปโคแจิตทอแท้ก็โโังได้ ครับเดี๋ยวตั้งใจว่าจะบวชให้รรษานี้พึ่งทาวัดเสร็จครับพยายามปฏิบัติห้ที่เราให้เป็นให้สมบูรณ์นะครับขอบพระคุณมากครับขอตั้งใจว่าจะให้ได้มรดกได้ผลในสิ่งที่ตั้งใจไว้ในให้ผิดใช่ไหมใช่ครับอ่าจำเวลาอครับนนะเวลา้สวัสดี พอมมาเยี่ยมมืครับอืมมาเยี่ยมมามาแม่มาวันบวชเดี๋ยวพ่อมก็มากับย่าๆเดี๋ยวมาอีกทีวันเสาร์อาทิตย์นี้ครับคุณพ่อกับยา้คดรกครับครับก็ครับหน้าที่ของเราครับพยาิตให้าครับครันวิจะสงจะไม่วประชรับยังไคิดง นนะครับอาจารย์ครับผมโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะห<อ>มดเวลา <ะ S 1> ขอบคุณมากครับรอา <c oughs> จารย์ชื่อองเื่อคุณคุณไปใคกถามหเขาถาดูนะยนะฮะคุณคุณพัฒนาพรจะจะเปิดไมนะไหมฮะลองกดเปิดไมดูนะ ออไม่ไ <N> ม่แล้วัออกออกไปแล้วตอนนี้หมดแล้วฮะมีใครจะถามอีกไหมฮะหมดแล้วครับชื่ว่าพอสมควรใช้เวลาหนะครับนึ่งชั่วโมงคพื่อคนในเรื่องประมาณก็ขอให้ท่านลงนามออกซิงที่ท่านได้ยินได้ฟังไปที่นี้ที่เจอเนีไปปฏิบัติเพื่อาสุขางจิตก้าวหน้าในธรรมนิ่นิ่งไปเออ ขอาลาทานสายไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ครางหน้าประมาณอีกหนึ่งนาที